สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสนทนานะคะวันนี้ก็เป็นเวลาที่เราได้มาพบกันหลัง ทางฝั่งทั้งหลายก็คงหลายๆรุ่นที่ผ่านมาแล้วแล้ว พี่ท่านได้ส่งมาให้ดิฉันอ่านเรื่องของญาติอาคําถามเลยก็แล้ว เป็นประโยชน์มากประโยชน์มากออกครั้งที่เม 2 เมื่อปฏิบัตินั่งสมาธิมีเวทนาน้อยใน 1 ชั่วโมงจิต 30 นาทีได้จะสังเกตว่าเมื่อจิต รับรู้รอบข้างมีอะไรเกิดขึ้นรอบกายแต่เหมือนไม่สนใจสิ่งที่จิตสนใจคือลมหายใจกับกายและเสียงพระอาจารย์เทศและเหมือน ที่เหมือนจะมีสมาธิอีกขั้นหนึ่งที่ลึกกว่าที่เป็นอยู่แต่เข้าไปถึงนิดเดียวคือช่วงจังหวะ นะก็นี่สังคุนก็ทําเหมือนอย่างแรกแต่คุณมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนี่คือลักษณะกับเวลาที่เขาตัดถนน นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, 50 นะคุณก็ กิโลเมตรแรกกับกิโลเมตร 50 ก็เหมือนกันแต่ว่าถนนมันยาวออกไปนะตรงนี้ๆนะเอ่อเพราะ 2 ก็เริ่มมีความ แสดงลงสัก 30 นาทีอย่างเงี้ยเอ่อเราก็ต้องดูว่าองค์ประกอบของสมาธิคืออะไรนั้นพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธินะคุณโยมติวๆและก็ 1 อยู่นั้น 1 เนี่ย นั่นเพราะงั้นอย่างในกรณีอย่างคุณสายลมหายใจอยู่ใช่มั้ยการเห็นลมหายใจเนี่ยมีการทําความเพียร 7 อย่าง แวดล้อมจิตของเราที่เป็น 1 อยู่นั้นจิตที่เป็น<ใช> 1 เนี่ยคือสมานสมาธิได้เลยว่าตรงนั้นเป็นสมาธิถูกต้องหรือไม่นะคําสุข ไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นคือองค์ประกอบครบก็ถึงกันว่าอันนี้ก็เช่นสมาธิที่เราไม่รู้สึก เราจะไปถึงตรงนั้นได้จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยถามว่าเราเห็นว่าเอ๊ะมันมันน่าจะมีอยู่นะอันนี้มันมีแน่ทีนี้เราจะไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่ ก็ๆเนี่ยดีต้องคิดบ่อยๆสร้างสรรค์ๆตลอดเหรอหรือเปล่านะเค้า น่ะเปรียบกรณีของสมาธินี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้เห็นๆเช่นโทษของความคิดวิตกวิจารณ์อะไรพวกนี้มัน ในการฝึกปฏิบัติมาบ้างแล้วก็คงจะง่ายต่อ 10 อย่างเนี่ยค่ะแล้ว สำหรับผลของการที่จะซาบด้วยตัวเองอย่างที่ท่านบอกว่าลำดับของการปฏิบัติๆแรกขั้นต้นใช่มั้ยคะ นะแต่เป็นความคิดอย่างน้อยเป็นความคิดที่ที่ดีนะ นะคือความสงสัยเครือบแคลงระแวงพวกนี้อันนี้ที่ 3 ค่ะนะอันที่ 4 ก็คืออยากนะอยากในทั้งตาหูอยากให้สิ่ง 4 อย่างที่ 5 ก็มาตรง <Witness. S 1> นะถ้าเรามี 5 <ใช>อย่างนี้เอ๊ะนี่ใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งนี่ไม่ใช่พุทธวจนะมั้งอันนี้เริ่มเริ่มไปละอันนี้จิตคุณจะไม่เป็นสมาธิค่ะมันก็เท่ากับว่าอ่าเมื่ออย่างที่คุณสายลมคือจิตเป็นใช่จึงสามารถทํา มันเป็นขั้นตอนนะแล้วความคิดอะไรค่ะอ่านี่คือขั้นที่ 1 ขั้นที่ 1 ขั้นถัดมาคือขั้นใช่ๆๆๆนะ ว่าผู้ที่ๆเนี่ยไม่มีได้ละไปได้จึงได้สามารถต้องถูกต้อง หมูเขาแม่โคภูเขาอ่ะเนี่ยนะเอ่อเค้ามีความคิดว่าเค้าอยู่ภูเขาลูกนี้โคภูเขาแล้วเค้า prime มัน 1 หรือว่าสมาธิขั้นแรกเราก็ยังไม่ชํานาญยังไม่ นะจึงจะได้กินหญ้ากินน้ําของภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วก็ว่าเราจะก้าวไปสู่ ได้แล้วเพราะมันขั้นที่ได 1 ได้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่ทันทําเหมือนโคนะคะที่ว่านี้อือฮึก็คือมันเกิดความ คือเกตอีกโหนปัจจุบันเนี่ยสมาธิขั้นปัจจุบันเนี่ยคุณทําให้ชํานาญ แล้ววันนี้ก็ได้อ่ารายละเอียดทําความ <นะคะ S 1> วันนี้เราก็คิดว่าก็เป็นการเริ่มสัปดาห์ใหม่ในวันนี้ด้วยเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่ะติดตามรับ พูด